เชื Cold, ่อว่าเป็นผู้มีโอตตะปะเพราะประกอบด้วยความสะดุ้งต่อบาปโดยประการทั้งปวงนะครับเกรงกลัวใช่ไหมครับเอ้เนี่ยนะสัตยระชันทั้งหลายที่เห็นเห็นกันอยู่นี่ทั้งหมดเนื่องจากผลของบาปแบบนี้แหละนรกทั้งหลายก็เนื่องจากบาปแบบนี้เปรตอสุรกายสัตยระชานเทวดาทั้งหลายเป็นต้นที่ไปสู่อบายทุกติวินิบาตเพราะความคิดแบบนี้แหละมนุษย์ทั้งหลายไปตกนรกเป็นต้นเพราะความคิดแบบนี้และเดระชานทั้งหลายไม่พ้นจากเดระชานสักทีก็เพราะความคิดแบบนี้แหละ เป็นด้านนะก็พูดสอนแบบนี้โอตั ป, ปะกมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, มนไม่ไหวแล้วว่างั้นเห็นไมไม่ไหวนี่จะป่วยใช่ไหมครับมา <c oughs> ดูสงัสงฆสงังฆนาดูงั น, นต่อไปนะครับเชื่อว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรแล้วเพราะความสำเร็จแห่งส ม, มรภปทฐานสีอย่างด้วยามสามารถแห่งการประกอบเนืองๆซึ่งสมถ ภ, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ติดต่อกันทั้งคืนทั้งวันติดต่อกันไปเป็นนิจนิรันนะครับหมายความว่ามันเชื่อมสืบด้วยสมถะวิปัสนาสลับกันคล้ลาเคล้ากันไปอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวน้นแต่หลับก็เป็นไปกับภูสุรธรรมเหล่านี้อย่างตลอดเวลา ถามว่าเรียนมาแบบนี้เนี่ยนะทําให้เห็นว่าเอสาวกของพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติแบบนี้นะครับไอสิ่งที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นนิยายเอาเขียนมากรุมาหลอกมาลวงกันเล่นนะไม่ใช่นะครับแต่ว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติชอบแบบนี้มีอยู่นะในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะถ้าถ้าสมัยนี้ถ้าเราไม่รู้จักใครนะถ้าพูดในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะภาษารีบุตรท่านทําได้พระโมคัาลานาพระมหากัะสปะพระอนุรทุทาพระ กิมพิระเป็นต้นเนี่ยนะครับพระนันทิยะหรือกลุ่มกลุ่มพระอัญญากลทัญญาเนี่ยนะครับกลุ่มพระยะสะนะกลุ่มพระพัทถิยะกลุ่มพระเชะดินสามพี่น้องนะครับแม้กระทั่งพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ประชุมทำโอวาทพระฟังโอว า, าทปาธิโมกท่านเหล่านั้นทําได้หมดนะครับเนี่ยนะหลังจากนั้นก็มีพระภิกษุสมยิ่งตอนที่พองดับขันปฎินิพันธ์เนี่ยพระอริยะเป็นส่วนมาก ท่านเหล่านั้นท่านปฏิบัติได้แบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาพาหาันที่ทําสังขยาท่านก็ปฏิบัติได้ตามนี้นะครับท่านเหล่านั้นเป็นสุปฏิปันโนจริงๆปฏิบัติดีจริงๆนะครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกจริงๆแม้ปฏิบัติสมควรแก่การกราบการไหวการลุกรับการเชื่อเชิญเนี่ยนะครับ นี่เนื้อนาบุญแท้ๆคงเป็นอย่างนี้นะครับแม่คู่ควรหน่อยจะทําบุญอุทิศให้เราเทวดาทั้งหลายก็เทวดาเขาค่อยชื่นใจหน่อยนะครับทําบุญอุทิศให้เปรตเปรตก็ยังจะพอจะพ้นจากเปรตได้บ้างอะอย่างงี้แหละเหมือนกันนะครับเรียก ว, ว่าเป็นผู้ที่มีใจเด็ดเดี่ยวนะครับคือเป็นผู้มีจิตส่งไปสู่นิพพานเนี่ยนะพระภิสูจนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบจะต้องส่งจิตไปเพื่อดับกิเลสแบบนี้นะครับ ส่วนในคาถานะครับในคาถาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ว่าภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ย่อมตรึกถึงกามวิตกอัลลา ม, มกอันอาศัยแล้วซึ่งเรือนไซภิกษุนั้นชื่อว่าดำเนินไปตามทางผิดหมกมุ่นในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสมโพธิยานอันสูงสุดนะครับ อย่างนั้นำนวนเราก็คือนี่นะถ้าหากว่าคุณปล่อยให้ความคิดจิตเป็นอกุศลอย่างนี้ไม่คู่ควรแก่ศีลไม่คู่ควรแก่สมาธิไม่คู่ควรแก่ปัญญาไม่คู่ควรแก่วิปัสสนาญาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหไปไม่คู่ควรแก่สโสดาปติมัคไม่คู่ควรแก่สกทาคามิมัคอานาคามิมัคไม่คู่ควรอรหัตตมัคซากอย่างเลยนะครับหรือว่าพิสูจใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ สงบประงับวิตกได้แล้วยินดีในธรรมะเป็นที่สงบวิตกภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโพธิยานอันสูงสุดถ้าภิกษุที่ปฏิบัติตรงข้ามนะครับมีจิตเป็นไปกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการเวลาแบบนี้ควรแล้วที่จะบรรลุโสดาปิมัคกัฏฐะมิมัคอนณาคามิมัาคามมและอรหัตตมัคนะครับในคาถาทั้งหลายมีวินิจฉัยว่าวัตถุกามเรียกว่าเคหะเคหะ ตัววัตถุนะครับรูปเสียงกลิ่นรสนะถามว่าจริงๆแล้วเช่นอาคารหลังนี้ก็คือเคหะดีๆนี่เองนะเขเรียกว่าวัตถุการมนะครับเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสและผลิภัณฑ์นั่นแหละนะมันวัตถุการมเรียกว่าเคหะในคำว่าเคหะนิสิตังหลังนี้เพราะผู้ครองเรือนทั้งหลายยังสละทิ้งไม่ได้นะครับนะผู้ครองเรือนทั้งหลายก็ทิ้งไม่ทิ้งรูปนะครับไม่ทิ้งเสียงไม่ทิ้งกลิ่นไม่ทิ้งรสไม่ทิ้ง โพภธภาภะนะครับเขาไม่สะสมเหมนเรานะของเราเนี่ยชั้นละชั้นละชั้นชันชนชนช้นหมดหรือไม่หมดก็ต้องทิ้งอะ่ะนะครับห้ามสั่นนิทีนะห้ามไม่ให้สังสมอีกนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าจะได้อุ้มบาตรไปขอใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นแต่เขาไม่ได้นะครับเขาสะสมเขาเก็บในตู้เย็นเป็นต้นเนี่ยนะครับของเราสะสมแบบนั้นไม่ได้นะครับคือเพราะเป็นสภาวะของผู้ครองเรือนทั้งหลายหรือเพราะเป็นธรรมเนียมประจําเรือนนะครับเขาก็ต้องห้านะ ถ้ครารวทาทั้งหลายหาวัตถุกรรมไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นที่อับอายขายที่หน้าชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะฉะนั้นใครที่มีวัตถุกรรมมากๆก็เป็นที่ยอมรับนับถือของของบรรดาผู้บริโภคกรรมด้วยกันนะครับแต่ถ้าสมมนาเราทั้งหลายนี่นะครับมากไปด้วยวัตถุกรรมเนี่ยนะครับน่าจะยอมรับแก่คนผู้บริโภคกรรมเหมือนกันนะครับสมมนาที่หมกมุ่นในกรรมด้วยกันก็จะยอมรับนะครับแต่น่าจะห่างภาษาริบุตรเลือเกินนะครับ นะห่างพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าซึ่งจะมีสมบัติจักรพรรดิพระองค์ยังไม่เยื่อใยเลยนะห่างพระรหันะสัมมาสัมพุทธเจ้าห่างพระธรรมคําสอนของพระองค์ห่างภาษาวกของพระองค์หรือกเกิดนะครับหรือว่ากามวิตกกเป็นต้นชื่อว่าเคหนิสิตะเพราะเป็นสถานที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่ตั้งของกิเลสกามทั้งหลาย โดยที่เป็นสิ่งผูกพันอยู่กับเรือนนะครับผูกพันอยู่กับบ้านกับช่องกับห้องกับพพอนี่แหละครับพันพระภิกษุเนี่ยนะถ้ามาตรึกแบบนี้มากเดี๋ยวก็ต้องสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วนะครับนะเพราะอะไรครับก็จะต้องศึกหาลาเพศไปเป็นต้นนั่นแหละไปสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นต้นเนี่ยนะสร้างลูกสร้างล้านสร้างเลือกสวนไรนาเป็นต้นทับปล่อยให้ความคิดแบบนี้นะครับกิเลสเป็นเหตุสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยนะบทว่า กุมมัังปฏิปันโนความว่าเพราะเหตุที่อภิชาเป็นต้นนะครับคือการมวิตกพยาบาทวิตกวิหญิงสาวิตกเนี่ยนะและธรรมะที่ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับอภิชาเป็นต้นเนี่ยเป็นทางที่ต่าําช้าเพราะนอกทางของอริยมรรคนะครับนะครับมันเป็นสวนทางกับอริยมรรคเลยนะครับเพราะว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเป็นการตามกระแสวัตตะเนี่ยนะครับค น, คนละอย่างกับอริยมรรคซึ่งทวนกระแสแห่งวัตตะ ฉะนั้นบุคคลผู้มากไปด้วยกามิตกจึงดําเนินไปสู่ทางตามช้านะครับถามว่าทางของใครครับทางของพระเทวทัตเนี่ยนะครับ เ, นะเดินตามทางของพระเทวทัตพระเทวทัตก็คิดแต่เรื่องกามนะครับท่านจึงเลยไม่ได้บรรลุได้ดิบได้ดีอะไรเลยนะครับคิดถึงเรื่องจะบริหารหมูนะ่คณะคิดจะมีอํานาจคิดจะยิ่งใหญ่นี่นะครับคิดจะโดดคิดจะเด่นเป็นต้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งสาวกทั้งหลายที่ สาวกของพระเทวทัตที่ติดตามพระเทวทัตก็หมกมุ่นแต่เรื่องราวเหล่านี้นะครับพระเจ้าอาชาติศัตรูก่อนหน้านี้ก็เพราะคบพระเทวทัตก็คิดแต่เรื่องความเป็นใหญ่เป็นโตคิดถึงจะเป็นราชาอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะทางเหล่านั้นก็ทางไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกนะครับทางไปเป็นจิ้งรีดเป็นจิ้งจกเป็นทุกแกเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาเป็นช้างเป็นหมาเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายเป็นพวกน้อนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นทางแห่งความเสื่อมความตกต่ํานะครับ ไมไดเป็นไปเพื่อพ้นทุกอะไรเลยน ะ, ค, ะครับาการที่พระเทวราชต้องการที่จะบริหารหมู่คณะนี้เป็นการที่เรียกว่า เ, าเป็นการยินดีในกามอย่างนั้ น, นเลยวัตถุ ก, กามทั้งนั้นแหละครับเนี่ยนะแม้กระทั่งมิตรสหายทั้งหลายถ้าจะว่าไปแล้วนะท่าไม่ได้ปรับเพื่อกุศลธรรมก็คือวัตถุ ก, กามทั้งนั้นเองนะครับ มันสำเนินที่ว่าจัดฉากประดับประดา น, นั่งแล้วก็มีหูคนข้างซ้ายข้างขวาล้อมหน้าล้อมหลังหูบริวารไปหมดนะครับชื่อเสียงไปที่ไหนใครก็รู้จักชื่อเราไปหมดน ะ, ะนะลักษณะนี้วัตถุ ก, กรมทั้งนั้นนะครับเพราะว่าคําว่าวัตถุกรรมแม้แต่เสียงสูงสูงต่ำต่เนี่ยนะที่เอ่ยชื่อเราก็เรียกว่าวัตถุกรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับกรารทั้งหลายเหล่านี้ยั่วยุนนะครับชวนให้รักนะครับชักให้ใคร่พาใจให้กําหนัด เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่เล็งเห็นแต่ความน่าสดชื่นความหวานชื่นเห็นแต่ความอริดอร่อยนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าเยื่อของมนันเบ็ดของมานเครื่องลอกของมานนะครับเป็นไปเพื่อมัดจุมานนะครับนะครับแถวพระบุตรตำมานทั้งหลายแล่นี่นะครับก็จะชักจูงชักลากไปนะครับก็เลยเรียกว่าทางแห่งความต่ําช้า บทว่าโมหนะนเยสุมุติโตควมว่าสยบคือมัวเมาได้แก่หมกมุ่นอยู่แล้วในรูปเป็นต้นที่เป็นไปพร้อมเพื่อโมหะนะครับหมกมุ่นในรูปใช่ไหมครับคิดถึงแต่รูปคิดถึงแต่เสียงกลิ่นรสและโภตพภะโมหะก็กลุ่มรุมปกปิดสัจจะแท้นะครับเคยคิดไม่รูปนะคิดถึงรูปนะคิดถึงสีนะคิดถึงสีหน้าใครสักคนนะออรูปรูปสมุทยัย ร, ост, รูปนิโรธ ร, ร, ร, รูปนิโรธทัามินีปฏิปทาาขนาดว่ารูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธทัามินีปฏิปทายังไม่คิดในจะบรรลุอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะต่อไป น, นะครับว่าเออแล้ว น, น, นึกถึงคําของใครสักคนนะเออเสียงเสียงสมุทยัยเสียงนิโรธเสียงนิโรธทั า, ามินีปฏิปทาคิดถึงกลิ่นอะไรนะกลิ่นกลิ่นสมุทัยกลิ่นนิโรธกลิ่นนิโรธคามินีปฏิปทา รถรถสมุทรไทยรถนี้รถรถนิโรถถ้าคำมีนิปฏิปทาเนี่ยนะครับถ้ามาคิดอย่างนี้ก็ยังไม่คิดเลยก็โอ้โหปฏิบัติไม่รู้ให้มันบรรลุอะไรเหมือนกันนะครับนะครับไม่รู้จะให้มันบรรลุอะไรเลยยังยังนึกไม่เคยออกเลยนะเพราะฉะนั้นก็ส่งเสริมโมหะทั้งนั้นเลยนะครับส่งเสริมโมหะทั้งนั้นนะนั้นก็บอกว่าอริยสัจยังนึกสงเคราะห์ไม่ได้ในอารมณ์นั้นๆเลยนะครับ จะกล่าวไปยายถึงกิจของอริยสัตว์เล่านะถ้าหากว่าไม่คิดถึงรูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาจะรู้ได้ยังไงว่ารูปนั้นปริญญากิจนะรูปสมุทัยนั้นปหานะนะรูปนิโรธทำให้แจ้งนะรูปนิโรธคามมนีปฏิปทาควรเจริญนะเสียงทำปริญญาสามนะเสียงสมุทยัยนะครับ ปะหานะนะเสียงนีโรทําให้แจ้งนะเสียงนีโรธัาคามินีปฏิปทาต้องเจริญนะเพราะฉะนั้นโหแล้วเมื่อไรจะถึงที่สุดแห่งวัฏทุกสักนทะีเนาะมาถึงตรงนี้แล้วก็ยวขอถามสักหน่อยเวลาเราได้ยินเสียงนี่ไอเสียงสมุทรไทยเสียงนีโรเสียงนีโรทักคำมินีปฏิปทานเป็นยังไงให้ลองอธิบายฟังห ก็ค่อยศึกษาไปกันแล้วกันนะครับท่านสังเวชใจไหมว่าเได้ยินเสียงเนี่ยเสียงกริ้งกรดเนี่ยนะครับเสียงสมูทัยของเสียงอวิชาตันหกรรมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอาวิชาหรือตันหาหรือกรรมเนี่ยนะครับที่ทําให้มีเสียงเหล่านี้นะเพราะนั้นเสียงเหล่านี้เหตุไกลก็คืออวิชาตันหกรรมโดยเฉพาะกายกรรมที่เป็นบาป วจีกรรมที่เป็นบาปมโนกรรมที่เป็นบาปนะเป็นเหตุแห่งเสียงคร่ำควรวญที่มันร้องอย่างนี้นะเสียงทั้งหลายเหล่านั้นนะครับเสียงเหล่านี้โดยมากก็โลภะเป็นสมุทฐานโทสะเป็นสมุทฐานโมหะเป็นสมุทฐานเนี่ยแป่งเสียงอันนี้เจตนาที่ทำให้แปลงเสียงเนี่ยเป็นเหตุเพื่อพบใหม่ต่อไปนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่แปลงเสียงเหล่านี้ก็มากไปด้วยทุจริตทั้งหลายนะครับทั้งกายยะทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตทุจริตเหล่านี้ก็พาและจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็สัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีเป็นไปกับชาติชาราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาสนะครเป็นไปกับกองทุกข์ทั้ง น, นั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สร้างเหตุแห่งวัฏฏุกขต่อไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นถามว่ามันร้องทั้งหมดเหล่าเนี่ยร้องเพื่ออะไรนะร้องเพื่ออะไรมันโดยมากก็ร้องส่งเสริมโลภะส่งเสริมโทสะส่งเสริมโมหะนั่นแหละมันก็ร้องเพื่อส่งเสริมสมุทัยสัตว์นะซึ่งสมุทัยสัตว์เป็นต้นเหตุอันนั้นนะ เมื่อไรนะสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จะได้ทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้บ้างมีไหมไม่มีเมื่อไม่ทำยาตะปริญญาตีระปริญญาปะหานะปริญญาแล้วจะทำที่สุดได้อย่างไรเราเองนะเมื่อได้ยังได้ยินได้ฟังเสียงเหล่านี้ถ้าไม่ทำปริญญาก็ไม่นานนักหนารอกก็จะได้อยู่ด้วยการร้อกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเพลิดเพลินกับเสียงเหล่านี้เราก็เท่ากับเพลิดเพลินในทุกเราก็ยัง จมอยู่ในวัตถุถ้าเพลิดเพลินในเสียงสัตว์เดรัจฉานก็แสดงว่ายินดีในความเป็นเดรัจฉานไม่นานนะก็อาจจะไปปฏิสนธิในเป็นประเภทแบบนั้นนะครับันก็พิจารณาก็แล้วกันนะถ้าไม่พิจารณาก็ส่งเสริมโมหะนะครับไม่เป็นไรนะครับ่อยโง่ามาตั้งนานแนละ้วก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ต้องส่งเสริมผมนะครับไม่ต้องชวนผมเลย ยังยังไม่ได้พูดถึงเสียงนิโรธะคือถ้าหากว่าไม่ทําปริญญานะครับนิโรธคาม่มีปฏิปทาก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่านิโรดนั้นก็คือไม่มีตันหาและไม่มีทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่นะครับเนื่องจากทําปริญญาทั้ง3นั่นแหละจึงจะแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นได้นะครับนั่นแหละต่อไปนะครับบทว่าสัมโพทิงได้แก่อริยมรรคยานนะถ้าไม่กําหนดรู้ก็ไม่คู่ควรแก่ บ, บรรลุมรรคใช่ไหมครับบดว่า พุทโงได้แก่สัมผัสคือถึงแล้วอธิบายว่าผู้เช่นนั้นมีความดําฤทธ์ผิดเป็นโครจร น, นะครับคือผู้ที่คิดแต่เรื่องกามทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะครับเนี่ยนะแต่ไหนแต่ไรมาจะบรรลุธรรมะเป็นที่สงบวิตกนั้นนะครับเมื่อร้ายเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะบรรลุธรรมะเป็นที่สงบวิตกโดยเฉพาะพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเลยนะครับ ผู้ที่มากไปด้วยมิจฉาวิตตกแล้วจ ะ, จะมีสัมมาวาจาสัมมากรรมมันต์สั ม, มมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะมิจฉาวิตกอะถ้ามิจฉาวิตตกเกิดก็แสดงว่ามาจากมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเกิดจากอะโยนิโสเพราะปาปมิตรเป็นต้นนั่นเองนะครับวันนี้ผมมาเดินคิดคิดเๆโดยทั่วๆไปนี่เราเห็นอะไรนะ เราก็จะคิดแบบคนทั่วๆไปเขาจะคิดอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะคิดในลักษณะนี้เชื่อไหมครับนั่นแหละครับคือเนื่องอิทธิพลของปาปะมิตรอิทธิพลของการไม่คบกัลยาณมิตรอัธยาศัยเราน้อยไปเราคิดอ่อนไปว่าพระพุทธเจ้าท่านคิดอย่างไงกับเรื่องนี้ ออพภาษาริบุตรท่านคิดยังไงพระโมกัลานะพระหมหากรสปะพระนนท์พระนุรุธพาพระโสดาบันพระสกาทาคามีพระนาคามีหรืออริยะสาวกท่านคิดยังไงกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่เคยคิดนะครับจะคิดว่าเอ๊ะคนทั่วไปเขาเห็นแล้วเขาคิดยังไง น, นะครับหเห็นถนนหนทางนี่อือเห็นนะคนเขาชมนะเนี่ยโอ้ทางแบบนี้นะเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปมันแสดงว่าในอุทาหนในโลกของความคิดเรามีแต่คนผ่านทั้งนั้นเลย โอมันก็คู่ควรแล้วที่จะเป็นอย่างนี้มาขนาดนั้นะนะพึ่งมันนึกนึกได้อ๋อมันเราอเอาอัธยาสัยของผานมาสัส่วนใหญ่นะครับคิดถึงแต่เสียงของคนผานไม่เคยนึกถึงคําว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ายังไงในสิ่งนี้นะครับโอ้เราเนี่ห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเหลือเกินบทว่าวิตักกังสมยิตรวานะความว่าระงับมิชาวิตกตามที่กล่าวแล้วด้วยกําลังแห่งภาวนามีปฏิสังขารนะ เป็นอารมณ์หมายความว่าต้องพิจารณาจริงๆนะครับจะต้องมันพิจารณาอย่างเต็มที่นะปฏิสังขานะเนี่แปลว่าการพิจารณานะครับถ้าอ่อนในการพิจารณาเมื่อไหร่ก็เป็นไปไม่ได้สังเกตดูนะครับผู้บางท่านจะเข้าใจแปลกข้อปฏิบัติว่าท่องเอาอย่างเดียวเนี่ยนะสมมุติว่าเอออกุศลวิตกอย่างนี้ก็ท่องเลยนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธอย่างเงี้ยก็อย่างเงั้นที่จริงแล้วเนี่ยเห็นมีไหมครับในพระสูตรทั้งหลายกล่าวลักษณะนั้นน้อยมากถ้าพุทโธก็ลักษณะให้เจริญพุทธคุณนะครับ ให้ว่าพูดโทรเพราะอัะว่านะครับอย่างที่ฟังเคยฟังมาแล้วนะนะเป็นผู้ชํานาญในพระยานทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอกุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ให้ไปบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ให้พิจารณาจริงๆนะครับเพราะว่าปัญญานี่เขาเอาไว้พิจารณานะครับไม่ได้เอาไว้ต้มแกงนะครับมีใครเอาปัญญาไว้ต้มแกงนั่งอยางั้น ความคิดทั้งหลายเนี่ยเอาไว้ไข้ครวญ น, นะครับเอาไว้ตรึกเอาไว้ตรองนะครับปัญญาเนี่ยนะเอาไว้มาไข้ครวญการศึกษาพระธรรมทั้งหมดนะครับถ้าเอามาไข้ครวญอย่างนี้ไม่ได้ถามว่ามันน่าเสียใจขนาดไหนนะครับสมมุตินะเราเราก็มาคิดแบบสมณัเพศนะเออนะเราศึกษาพระธรรมคําสอนมาอย่างนี้นะยังเอามาตรึกไม่ได้นะคือมาใช้ชีวิตในลักษณะนี้ยังตรึกธรรมะเหล่านี้ไม่ค่อยได้ แล้วใครจะตรึกธรรมะเหล่านี้ได้บ้างเนาะเนี่ยนะใครจะเป็นสุปฏิปันโนตรึกพระธรรมเหล่านี้ได้บ้างเนาะแล้วก็ทําให้เห็นคุณของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นอีกต่อไปบทว่าวิต ก, กูปัสมเมรโตความว่ายินดีแล้วคือยินดีเฉพาะแล้วโดยอัธยาศัยในอรหัตผลหรือในพระนิพพานนั่นเองเป็นธรรมะนะที่เป็นธรรมะระงับมหาวิตกทั้ง8ปประการนะครับ พนิพานเนี่ยนะระ ง, งับอกุศลทั้งหมดเลยนะครับอกุศนวิตกเป็นต้นเนี่ยนะ oh. บทว่าสัพโพโสตาทิโสความว่าบุคคลปฏิบัติชอบอยู่ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นนะครับระ ง, งับวิตกทุกอย่างได้ด้วยกําลังแห่งสมถะและวิปั ส, สนาในส่วนเบื้องต้นด้วยอํานาจของต่ทางค้าพสารเป็นต้นตามสมควรดํารงอยู่ครั้นเลื่อนวิปั ส, สนาให้สูงขึ้นไปแล้วจะเป็นผู้ควรคือสามารถเพื่อสัมผัสคือบรรลุสัมโพธิญาณ อันยอดเยี่ยมกล่าวคืออรหัตมมัคยานและกล่าวคือพระนิพพานตามลำดับแห่งมัคดังนี้แล้วนะครับนี่ก็อัตถกถาเจริสูตรนะเที่ยวเที่ยวด้วยวิตกทั้งหลายแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอกุศนวิตกนี้นะว่าสำคัญมากนะครับในการปฏิบัติธรรมชั้นสูงนั้นถ้าหากว่าไม่สา ม, มารถที่จะระงับอกุศนวิตกได้ก็ยากที่จะเจริญในคำสอนของพระ อ, องค์ได้นะครับขออนุ ญ, ญาต เถ้าท่องอย่างนั้นน่ะมันมันจะเป็นสมถะได้ไหมท่องยังไงครับท่องพุโทโธนะครับโดยไม่ต้องรู้เลยว่ามันไอพุโทโธเนี่ยมันแปลว่าอะไรมีความหมายยังไงเป็นมายังไงมา ย, ยังไงนั่งท่องพุโทโธเป็นสมถะไหมเป็นไหมครับถามแบบนี้เอางี้เขารู้จกักศีลไหมไม่ไม่ทราบก็แล้วแต่บุคคลมั้งครับคือมันก็ยากเต็มทีนะครับที่จะวินิจฉัยได้นะครับ ต้องถามว่าคนที่ท่องเนี่ยใครด้วยนะครับเพราะว่าคําท่องเฉยๆนี่ก็เอาอยัางยังเอาเป็นประมาณไม่ได้นะครับแม้แต่คนที่จะบอกว่าอรหังหรือสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นน่ะก็อยู่ที่ใครเป็นคนกล่าวอีกครั้งนะครับเบื้องหลังของคนนั้นน่ะทราบซึ้งในคําสอนมาขนาดไหนตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะครับไม่ได้เอาที่บทบริกรรมเป็นเกณฑ์อย่างคําว่านามูตสาปะคะวะตัวอรหัโตสัมมาสัมพุทธสานี่นะครับก็ว่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองทีนี้ว่าอื คนที่ว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเอาว่าเขามีความเข้าใจทราบซึ่งในคุณของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสติปัญญาก็ไม่ได้มีความเท่ากันอะไรแต่ถ้าเทียบไปแล้วนะถ้าอากุศลไม่ต ก, กเกิดขึ้นนะเขาท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธถามว่าดีไหมถามผมนะผมบอกว่าดีนะครับดีเพราะว่าดีกว่าคําอย่างอื่นทั้งหมดนะครับที่เป็นคําทั่วไปเนี่ยนะดีกว่าดูรูปไปฟังเสียงฟังอะไรอย่างอื่นที่ไม่เข้าท่าเข้าทาง แต่ถามว่าดีแค่นี้พอไหมอันนี้ผมบอกว่ายังไม่พอควรศึกษาคุณของคำนั้นให้เพียงพอนะครับจะได้เจริญจะได้มีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากนะครับคือประเด็นที่สำคัญที่ผมสนใจมากโดยทั่วๆไปก็คือคุณของพระตนะตรัยนี้เข้าใจแค่ไหนนะครับคือเหมือนกับว่าจุดหมายปลายทางของศ า, าสนาคืออะไรนะครับและค่อยพูดถึงเรื่องเดินทางอันทุกวันเขาคุยแต่เรื่องเดินทางเขายังไม่รู้ว่าเขาไปไหนเลย ก็เหมือนกับที่เราคุยกันนี่แหละครับปาถนาเหลือเกินบรรลุธรรมบรรลุอะไรยังนึกไม่ออกเลยนะครับบรรลุเพราะอะไรก็ยังไม่รู้มันนะสิกขาคืออะไรก็ยังไม่รู้นะครับเหมือนกับที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าเออรูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธาคามินีปฏิปทายังไม่เคยคิดเนี่ยกิจของอริยสัจก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงและจะบรรลุอริยสัจอะไรนะครับมันก็ก็ขวดคู่คว ร, ควรกับการคิดเหมือนกันนะครับว่าเป็นไปได้ยังไงที่จะตรัสรู้ธรรม อย่างคําว่าพุโทโธก็คือใครครับพูโทโธก็คือผู้รู้อริยสัจผู้ที่แทงตลอดว่ารูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธถ้าขามินีปฏิปทาเสียงเสียงสมุทัยเป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกว่าสัมมาสัมพุโทโธถ้ารู้สิ่งเหล่านี้ด้วยพระองค์เองนะครับนะเพราะยังไงยังไงเสียท่านก็แทงตลอดอริยสัจนั่นแหละทีนี้ถ้าไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยนี่มมันก็เหมือนกับว่า เอาคนตาบอดมาวินิจฉัยว่าเขาจะเดินถูกทางไหมนะครับมันก็มีบ้างบางครั้งที่ถูกทางแต่เนื่องจากความตาบอดเขาไม่สามารถเดินในทางได้อย่างยาวนานรอกนะครับขอฝากครับเมื่อกี้ได้ยินว่ า, า, าคนที่จะท่องพุทโธเนี่ยท่านอาจารย์ก็เลยย้อนถามว่าเขาเข้าใจเรื่องศีลไหมนี่แสดงว่าคนที่จะเจริญสมถะกรรมฐาน หรือจะเจริญกุศลเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องศีลแล้วก็ปฏิบัติศีลให้ถูกต้องด้วยถ้าหากว่าเจริญศีลไม่ไม่เข้าใจเรื่องศีลแล้วปฏิบัติเรื่องศีลไม่ถูกต้องนี่ก็การเจริญกรรมฐานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพุโทโธหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการเจริญธรรมะเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องศีลเราต้องเป็นอย่างนั้นนะครับถึงเจริญก็เจริญได้ไม่นานอะไร บริหารไม่ค่อยได้ก็ว่าได้เป็นครั้งคราวไปอะไรไปแต่ก็ยังไม่เรียกว่าสมถะอะไรนะครับถ้าเป็นสมถะง่ายอย่างนั้นก็ได้ดิบได้ดีกันหมดไม่ต้องศึกษาอะไรมากมายนะครับแต่นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเราก็เอาผลมาว่าเจริญไปนานๆแล้วประสบความสําเร็จมีบ้างไม่ล่ะนะครับเขาทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นไม่ล่ะนะครับเมื่อเขาท่องวพุโทโธเป็นต้นเนี่ยนะครับมากๆแล้วเขาซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าไหม หรือว่ามาท่องเฉยๆเชื่อไหมครับว่าคนที่ว่าเนี่ยนะนานๆเข้านะจะเป็นคนตําหนิพระพุทธเจ้าด้วยซ้าไปนะถ้านั่งท่องโดยที่ขาดความเข้าใจนี่นะคนเหล่านี้ไม่นานนะครับบางคนเนี่ยตำหนิคุณของพระพุทธเจ้าทําไมถ้าเช่นใครมากล่าวถึงคุณของพระองค์ในบางส่วนก็รับไม่ได้นะครับก็รับคือยอมรับในคํำว่าผู้โทแต่ไม่ยอมรับว่าผู้โทนี่มีคุณลักษณะไหนนี่นะครับอันนี้เพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะเดินตาม หลักการที่มันผิดะนะเนีเพราะว่าเดินมันไม่คู่ควรต่อการเพ่งนะครับคําพูดบางคําไม่คู่ควรต่อการเพ่งไม่ควรสาวตามนะครับถ้าสาวตามก็มีแต่ตกเหวตกเขาไปนะครับคือเพอนเอเน้นให้เห็นคุณนะครับว่าเออคุณจะท่องคําไหนก็ท่องไปเถอะไม่ว่าจะเป็นพูดโทรเป็นต้นเนี่ยถ้าเข้าใจคุณก็ไม่น่ามีปัญหานะครับดีแล้วพ่อ ค, ครับอย่างคนที่เขาศึกษาอนาปานนสติมาหรือว่า จะศึกษาเรื่องพุท ธ, ธานุสติแต่เขาก็จ ะ, จ ะ, จะเจริญตามที่เขาศึกษามาแต่ว่าเรื่องสีนั้นไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็อย่างนี้นี่จะจะถือว่าเขาจเจริญส ม, มะถะกรรมฐ า, านไหมผมว่ามันไม่ใช่นะครับของของไม่ใช่นะไปดูวิธีเจริญอนาปานสตินะครับในอัตตกะทาตาติยปราชิกนะครับจะอธิบายไว้ เป็นลำดับนับตั้งแต่เรื่องศีลเป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นไปโดยลำดับถ้าศีลไม่ดีเนี่ยเจริญน า, นาปานสติเจริญไปทําไมนะครับในในที่สุดก็นั่งฟุ้ง ส, ส่วนใหญ่นะครับคิดถึงลมหายใจไม่กี่ทีแล้วครับที่เหลือคิดเรื่องอื่นไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าจิตมันอุทธะมันมีกําลังอะนะ